ตอนอบรมกลมสัพพส า, ามิตรภาคหนึ่งระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม2559ตอนที่4ีขณะที่ปฏิบัติทำไมน้ำตาจึงไหลครับมันกำลังปวดปล่อยนะเราจะดีใจเสียใจหัวล้อะร้องไห้นะ่คือมันกำลังคลายตามารมณ์แต่ถ้ายังใช้สติข้างนอกควบคุมมันอยู่เนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เห็นชีวิตเราควบคุมตลอด โดนมารยาทประเพณีวัฒนธรรมบล็อกไว้ตลอดเราจะไม่อิสระที่เราเหวี่ยงเนี่ยเพื่อให้กิตอิสระนะอิสระจากกรอบถูกบล็อกไว้ด้วยวัฒนธรรมประเพณีเมื่อกิตอิสระแล้วเนี่ก้นบึงเราบันทึกอารมณ์ไรมันจะไหลออกมานะนบางทีมันอยากหัวรอกก็ปล่อยออกมามันอยากจะร้องไห้ก็ปล่อยออกมานั่นคือ เขากำลังดีท็อของเขาอยู่นะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้านั่งแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขเลยอันนั้นได้แค่ความสงบชั่วครู่ก็ปัญญาไม่เกิดเวลาเราทำเอแดี D เราทำไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือจิตว่างแล้วไม่ต้องไปรู้หรอกมันว่างไม่ว่างเราก็ทำไปเรื่อยๆ<笑><笑>เราไม่ได้มานั่งเพื่อหาคำตอบว่าว่างยังไงนะพอมันว่างจริงๆแล้วเนี่ยสักวันหนึ่ง ไม่มีไม่ต้องมีคําตอบเราเราจะสัมผัสด้วยตัวมันเองนะตอนนั่งสมาธิเหวีย่ยงนั่งไปนั่งมาอยากจะร้องไห้นั่นหมายถึงอะไรนั่นแหละมันกําลังเจ้าออกแต่ชีวิตเรานี่ชอบล็อกมันไว้องอเลยครับส้วมมันเต็มส้วมชนบทส้วมซึมเต็มแล้วเนี่ยไม่ใช่กดมันเหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอนะโอเคพอมันวางความเหม็นก็ไม่เหม็นพอออกไปนอกบ้านเข้ามาก็เหม็นอี ต้องแก้ที่ต้นเหตุซ่วมมันเต็มเปิดฝาออกสูบออกเลยตอนสูบออกนี่มันเหม็นมากต้องขันติเมื่อมันหมดแล้วเนี่ยต่อไปไม่เหม็นตลอดกาล น, นะครับอันนี้คือแนวทางที่แก้ที่ต้นเหตุคือเอามันออกไม่ใช่ไปกดมันไว้เต้นไปรู้สึกเมื่อหัวเขาจะเป็นข้อเข่าเสื่อมไหมตอนนี้อายุห้าสิบ กู่67แล้วคุณแม่ตอนนั้นยังอยู่90มาเต้นทุกวันหัวเขาเสืเ่อมปฏิบัติไปเรื่อยๆเยอะจะหายนะครับ อ, อ, อายุไขมันมากมันก็เสื่อมตามสัาพแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวบ่อยๆโดยเฉพาะทำด้วยจิตเนี่ยนะมันรู้สึกเมื่อยบ้างก็ช่างมันจะเป็นเมื่อยตามมันมันจะหลังสารหล่อเลี้ยงขึ้นมาเลยทุกอย่างจะฟื้นขึ้นมาหมดนะครับให้เชื่อมั่นในจิตเราจิตไม่ทาร้ายร่างกายนี้แน่นอน วันนี้ขณะทำสมาธิเวียงเกิดอาการเวียนศีรษะจะอาเจียนทำไมวันแรกๆไม่มีอาการเช่นนี้ค่ะก็มันเป็นไม่เหมือนกันนะวันแรกคือวันแรกวันที่สองคือมันํำนานขึ้นคือวันแรกมันยังไม่ทำงานวันที่สองทำงานแล้วทีนี้เขาจะเริ่มแสดงอาการแต่ว่าเราไปกดเขาไว้อย่ากดนะครับาะคุณเมื่อกี้มาแอบดูว่าเอ๊ะทีนี้สมวนท่าทีจังเลยแต่ถ้าเป็นทีมอื่นนี่เขา เดี๋ยวพวกแต่กวกแ ต, แต่กิ้งไปกิ้งมาแล้วนะนะของเรายังสนุนท่าทีอยู่ชั่วโมงต่อไปไม่เอานะครับลุยเต็มที่เลยช่วงเวลาที่นั่งสมาธิเบี่ยงแล้วเกิดอาการปวดขาคอจำเป็นต้องเปลี่ยนนะเรียบทไหมเพราะลองเปลี่ยนทำให้เสียจังหวะไปเลยเห็นไหมพอเราลองปุ๊บเราก็รู้ว่ามันเสียจังหวะ ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะเรามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกชีวิตเราหนีทุกตลอดพอเบื่อปุ๊บออกไปเดินเล่นพอร้อนปุ๊บไปเปิดแอร์เห็นไหมอัลัยาบทกั้นบังทุกข์ชีวิตเราหนีทุกตลอดเราจรึงไม่เห็นทุกเราจรึงไม่เห็นธรรมทุกคือความจริงของชีวิตนะเรามานั่งรู้มันแต่ไม่ใช่ทรมานสังขารนะอันนี้ทรมานกิเลส น, นะกิเลสไม่ชอบ นะเราขันติแล้วก็ฝืนมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้ตัวปวดเองมันก็หายไปแล้วก็รู้เลยว่าเอ้ความปวดเองก็ไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวนะครับและทำไปทำมาเนี่ยอินทรีย์พะละงกำลังของจิตเราจะแขกก้าขึ้นในช่วงเวลาที่หมุนเต็มที่อยากกิ้งไปไปพื้นแล้วเกิดอาการชะนัก ทําให้ทรมานมากทําไงครับเห็นไหมกิ้งไปเลยที่เราไปฝืนมันพุดงเนี่ยเขาเรียกว่าทํามารมมันค้างมั น, ม, นมันออกมาไม่หมดนะนะเพราะว่าเราไปบังคับมันเพราะคูถึงบอกว่าสังวนท่าทีไนงะลุยเลยนะพอเราปลดปล่อยมาเราจะรู้ว่าเออมันว่างมันเบาสบายนะทำตัวเหมือนเด็กๆด็กทาซานเขาไม่เทียงเพราะเขามีมารยาท พวกเราเครียดก็เรามีมารยาทนะเรามีท่าทีเนี่ยเราต้องเนี่ยเราส่งวนท่าทีเนี่ยกิ้งไปหมดเลยให้มันหมดท่าเลยเ น, ยนะครับเมื่อหมดท่าเลยนะั่นคือวันที่เรารับความพิศลภาพมันจะไปขัดแย้งกับความเคยชินของเรานะครับเป็นคนตกใจง่ายทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางครั้งพยายามตั้งสติแล้วว่าจะเป อยจะไม่ตกใจแต่ก็ยังเป็นยังเป็นไม่ทราบว่าจะต้องจัดการอย่างไรปฏิบัติเยอะๆไม่ใช่เราคิดเองว่าอย่าตกใจมะนะเดี๋ยวมก็ตกใจอีกเพราะอารมณ์ที่เรากลัวเราตกใจมันยังอยู่ตอนนี้เรากําลังล้างมันออกนะ อ, อสักพักหนึ่งมันจะหายไปเองนะครับบางอย่างเราคิดก เ, เองไม่ได้ก็อย่าคิดนะอย่าคิ ด, อ ย, คดอย่าคิดมากนะอย่าคิดมากพอออกไปปุ๊บก็กกคิดอีก มันเป็นกินเลสเราไงอันนี้เรามาล้างเชื้อมันออกนะล้างเชื้อให้เ น, นี่ชอบตกใจออกแต่ถ้าเราไปกดมันไว้เนี่ยมันก็ไม่ออกไงก็คือว่าปวดปอยมันจะดีใจเสียใจร้องไห้มันจะกิ้งกิ้งไปหมดเลยแล้วต่อไปเชื้อเหล่านี้ถูกกาจัดแล้วต่อไปมันจะไม่ตกใจต่อไปวิธีดับความโกรธแบบอารมณ์ชั่ววูบมีวิธีไหนที่ได้ผลดีและรวดเร็วเหมือนกันครับ เรามีเชื้อโกรธอยู่เราต้องเอาเชื้อโกรธออกนะเออแต่พอเราโกรธปุ๊ช่วงเฉพาะหน้านี้เพราะครูบอกแล้วว่าเอาความรู้สึกเรามาอยู่ที่ลมหายใจตามลมหายใจกดมันไว้ก่อนอย่าไปโกรธตามมันนะอันนี้บางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันนะเพราะความโกรธเนี่ยมันเร็วมากนะเราก็มาแก้โดยที่มาคลายไอเชื้อไวรัสที่ทําให้เราชอบโกรธนี้ออกมาอันนี้คือกล่องบันทึกสัญญาเรานั่นแหละนะ ส่วนมากติดถูกติดผิดติดดีติดชั่วไม่ได้ดั่งใจก็ราโกรธนี่คือกิเลสเนาะแก้ที่ต้นเหตุของมันแต่เฉพาะหน้านี่เราก็เอาสตนะิมาช่วยบางทีทันบ้างไม่ทันบ้างเนาะฝึกแนวนี้เนี่ยไม่ช้าหรอกนับเป็นชั่วโมงนะชีวิตเราไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่อนลงเราสงบลงเราเย็นลงร่างกายแข็งแรงขึ้นนะต้องศรัทธาสิ่งที่เราทาเนาะ เดียถามพ่อครูค่ะในการปฏิบัติธรรมแบบนี้เราสามารถแผ่อุทิศส่วนกุศลได้ไหมครับถ้าได้เราจะตั้งมั่นให้ตอนไหนครับตำรวจไม่จับครับทาเลย <c oughs> ไม่ต้อ ง, งไม่ต้อ ง, ต, งตั้งใจว่าจะต้องทําเป็นแบบรูปแบบนะันคือเขาสอนเด็กๆนะอ้าวอวยนะ้ำแผ่เมตตาเหมือนสอนว่าเอออย่าลืมนะอย่าลืมแบ่งปันความดีๆให้คนอื่นนะ อันนั้นคือลักษณะสอนเด็กไม่เราปฏิบัติเรื่อยๆสานึกเราเกิดเลยว่าเราไม่เป็นคนเหนียวนี่เราปฏิบัติปุป๊บเราได้อริยทัพย์แล้วเนี่ยเราแผ่ให้ทั้งหมดถ้าถามพ่อคูนะอย่าระบุแผ่ให้ญาติคนนั้นญาติคนนี้นะอันนี้นยังขี้เหนียวอยู่นะให้เฉพาะคนที่ฉันรักนะแผ่ให้สัพพะสัตทั้งหมดแผ่ให้หมดไม่มีมดหมด้อแต่และตัวในอดีตไม่เคยเป็นพี่น้องเรา ให้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เราให้เฉพาะชาตินี้เราจำได้นะอันนี้ยังขี้เหนียวอยู่นะเลือกเลือกคนทำนะศูญย์ยตาทานเนี่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศุนยตาทานคือการให้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้สัจจะว่าให้สบาตวหมดนะอันนี้ทำไปเรื่อยๆก็ไปที่ศูนย์ใหญ่บางคนถามว่าพวอคูแผ่เมตตาไหมที่ศูนย์พวก ทางพระเขาก็พาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้ว ก, ก็พาแผ่เมตตาแต่พวกกูไม่เคยแผ่แบบนั้นนะยี่บเจ็ดปีไม่เคยแผ่เมตตาใช่พว ก, กูเมตตาทุกวันบางคนแผ่เมตตาเป็นชั่วโมงเนีย่ยบางจนะไปเลาะพ่อพิงออกไปเขาเหยียบขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปด่าเขาไม่เคยเมตตาเลยอันนั้นไม่มีประโยชน์อันนั้นแผ่แค่ลมปากนะเมตตาทุกวันฝึกนิสัยให้เมตตาทุกวันด้วยต้องมีหน้าที่จักกลุ่ม ผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่มาด้วยตัวเองและต้องปรับประเมินภาษีถือเป็นการสร้างกรรมกับเขาหรือเปล่าครับแต่ก็คิดในใจว่าขอหัวกรรมกับเขาไม่อยากให้เขาคิดโกรธหรือแค้นเราที่ทำให้เราเสียเงินค่าปรับให้เขาเสียเงินค่าปรับการกระทำเช่นนี้ถือว่าสร้างกรรม ต่อกันหรือเปล่าครับกำชี้เจตนามีผู้ภาคสาข้อบครหนึ่งไปปฏิบัติของปู่เหมือนกันตอนนั้นท่านเครียดมาบางทีท่านรู้ว่าไอ้จาเลยนี่มันไม่ผิดนะเอแต่พยานหลักฐานมาถึงมือเนี่ยมันลัดหมดเลยนะไม่ตัดสินตัวเองก็อยู่ไม่ได้ตัดสินปุ๊บก็ไม่สบายใจไปปล่อยนกปล่อยปาก็ไม่หายนะไปขโมยกินเหล้าพอเมามาเนี่คุยกับลูกเมียไม่รู้เรื่อง เนะียเมียก็น่ารักลูกเด็กๆสองคนก็น่ารักถึงขั้นจะยาหลังกันนะหมอที่น่นก็แนะนำมาเข้าคอนพ่อค ร, รอาทิตย์หนึ่งก่อนจะย้ายไปจังหวัดอือ่นพอเวียนไปเวียนมาคุณภรรยาเนี่ยระ ล, ลึกชาติได้ก่อนอายุสี่สิบต้นๆเนาะระลึกชาติกลายเป็นเป็นคุณยายอายุเก้าสิบเอาไม้กวาดพ่อครูเนี่ยเดินเป็นไม้เท้าเดินหลังกลงกง ครูถามว่ายายาจะไปไหนไปเยี่ยมหลานบอกว่างเธอแกแล้วโอ้คิดถึงมันคิดถึงมันไม่ยอมวางเนอะทีนี้พูดภาคสานั่งแล้วก็ร้องโอ้อะไรเนี่ยนะเขาปลดปล่อยที่เขาเพรียคุณยายได้ยินปุ๊บเนี่ยก็เดินเข้ามาจำเสียงได้ไงมาลูกผัวลูกเอ้ยลูกเอ้ยอย่าร้องไห้พอหมดเวลาแล้วนี่มานั่งคุณยายนั่งร้องไห้แล้วให้ครูฟังว่าเนี่ยทุกข์มาก นะทั้งที่สองคนเป็นคนดีกนกนพะูดภาษาเป็นคนตรงจริงมากแล้ยิ่งตรงจริงเนี่ยยิ่งเครียดว่าเอ้ยฉันฉันสร้างกรรมด้วยฝ่า ร, รูู้ท่องรู้จิตใจมันรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ได้ผิด น, นะแต่ตําแหน่งหน้าที่มันต้องตัดสินตามพยานหลักฐานไงนะก็คุณภริยาเล่าให้คุณฟังนี่ถึงขั้นว่าจะตัดสินจะหย่าล้างอะไรนะเนี่ยรู้จะทำยังไงหลังจากเรลึกชาติว่าเห็นเนี่ยพูดภาษาตอนนี้สามีตอนนี้เป็นอดีตลูกชาย ตามมามันเป็นแม่เขาไม่ได้มันเป็นมันเป็นภรรยาจ่ายนี้คำเขาอีกนะอันนี้ก็คือคําถามเหมือนกันว่าหลังจากพุทธศาสาปฏิบัติมาท่านท่านเขาเข้าเปนหนึ่งจิตเข้าใจว่าเราก็ทําตามหน้าที่สำคัญเรายังมีอคตินะเมื่อกฎหมายเหตุกติกาบ้านเมืองแบบนี้แล้วเขาก็รู้ทำรู้เขาทําผิดกฎหมายเหตุเขาก็ต้องรับกรรมนั้นไม่ใช่เรามีอคติกับเขา เราไม่ชอบเขาเราไปแก้เขาอย่างนั้นกรรมนะนะเราทําตามหน้าที่ไม่เป็นไรสตรีสองท่านมีหน้าที่เชือดคอไก่คนนี้เชือดคอไก่บาปคนนี้เชื่อดคอไก่ไม่บาปเออทำไมทหารสองคนไปรบสึกคนนี้ยิงศัตรูตายบาปคนนี้ยิงศัตรูตายไม่บาปเออเอาอะไรมาวัดมันก็ตายเหมือนกันไงเหรอไหมคนที่เชือดคอไก่เพราะ อยากมั่งคั่งหรือว่าเชื่อเพราะเกลียดมันหรือว่าอยากร่ำรวยก็ช่างคนนี้บันทึกสัญญาคนนี้มีหน้าที่เป็นลูกน้องงั้นจะ่ไหมหน้าเชื่อเชือดฉันไม่ได้ยินดียินลายนะมันเป็นกรรมเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเอาว่าบาปไม่บาปอยู่ที่ว่าเรามีเจตนาพุ๊บมันบันทึกสัญญาไว้ตายแล้วไม่จบนะไอ้กรรมตัวนี้ข้ามพพข้ามชาติเลยแต่ทีนี้คุณจะเจตนาไม่เจตนาไงก็ช่างกรรมเฉพาะหน้านี่เราไปเชือดคอไก่โอกาสมือเปื้อนเลือดก็มี บางครั้งพลาดเกิดมีดบาดก็มีแต่ถ้าเราไม่ทําตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปไปพบตรงนั้นถ้าหารสองคนเหมือนกันคนที่ยิงปุ๊บสะใจบันทึกแล้วว่าคุณฆ่าคนคนที่สักแต่ว่ายิงลุกปืนมันไปฆ่าแต่ไม่มียินดียินไล่เลยไม่บันทึกสัญญาแต่กรรมเฉพาะหน้าเนี่ยเนื่องจากเราไปทําหน้าที่ตรงนั้นเป็นยังไงนนหมดทําไมไม่ที่หนี้ใจสอนจังเลย แต่ถ้าหารสองคนนี้เนี่ยนื่องจากหน้าที่เราต้องออกไปตรงนั้นโอกาสที่เราถูกยิงตายก็มีโอกาสที่เหยียบกลับระเบิดก็มีกรรมเฉพาะหน้าถ้ามันเกิดก็เกิดถ้ามันไม่เกิดก็คือผ่านไปเหมือนเราเดินไปเราเหยียบมดเนี่ยบางทีมันจะกัดเราตอนนั้นเลยก็กัดนะแต่ถ้าเหยียบปุ๊บมันกัไดไม้ทันผ่านไปในกรรมนั้นหมดไปแต่ถ้าเรามดตัวนึงมานี่บี้มัน บันทึกเต็มเต็มเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมชี้เจตนาเราทําอะไรก็ช่างอยู่ที่เจตนาของเราคนอื่นไม่รู้แต่จิตเรารู้แล้วลอคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตเราฉลาดเองเนาะท่านนี้พอครูเข้าใจหลังจากเราฝึกฝนมาแล้วเนี่ยเราก็มีสํานึกขึ้นมาไอการที่ไปจับเข้าไปปรับเข้าอะไรเนี่ยโดยสัญชาตญาณแต่ละคนโดยสันนิษ เ, เราก็ไม่ดีใจหรอกแต่เราไม่ทําได้เราไม่ทําตามหน้าที่ก็ไม่ได้ มันเป็นข้อตกลงมาตั้งแต่แรกแล้วทุกคนรู้เมื่อเขาทาผิดข้อตกลงเขาก็เป็นคนผิดศีล น, นะเราก็ทำตามหน้าที่แต่ต้องไม่มีเจตนามีอคติกับเขาะครับอันนี้คือคำตอบโอเคนะเดี๋ยวชมเรื่องนี้ก่อนรู้ว่าไอ้ที่มันออกมาจากข้างในมันคืออะไรนะพวกเรากำลังเริ่มเริ่มนะมันจะเริ่มอาเจียนอะไรเริ่มจะกิ๊งน้ำเราดึงมันไว้มันจะเริ่มเปิดประตูแล้วแต่เราไม่ยอมเปิด แต่ถ้าคนเขาเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรดูนะฮะมันมีหลายคนไม่เคยทำโยคะเราจะทำโยคะสวยมากนะเราเราจะเราจะเต้นอะไรที่ไม่เคยเต้นเราเคยเต้นเต้นได้เลยนะโอเคนะกนนะครับ